เราขอมีเมตตาต่อตระกูลพญางูฉับพยาบุตรเราขอมีเมตตาต่อตระกูลพญางูกันหาโคตมกะเราขอมีเมตตาต่อเหล่าสัตว์ที่ไม่มีเท้าเราขอมีเมตตาต่อเหล่าสัตว์ตสองเท้า เราขอมีเมตตาต่อเหล่าสัตว์สี่เท้าเราขอมีเมตตาต่อเหล่าสัตว์หลายเท้าสัตว์ไม่มีเท้าอย่าได้เบียดเบียนเราสัตว์สองเท้าอย่าได้เบียดเบียนเราสัตว์สี่เท้าอย่าได้เบียดเบียนเราสัตว์หลายเท้า อย่าได้เบียดเบียนเราขอสรพพสัตที่มีลมหายใจขอสรรพสัตที่ยังมีชีวิตทั้งมวลจงประสบกับความเจริญความเลวร้ายอย่าได้มาแพ่พานสัตว์ใดๆเลยพระพุทธเจ้ามีพระคุณหาประมาณมิได้พระธรรมมีพระคุณหาประมาณมิได้ พระสงฆ์มีพระคุณหาประมาณมิได้สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายคืองูแมงป่องตะขาบแมงมุมตุ๊กแกหนูมีคุณพอประมาณเราทำการรักษาแล้วทำการป้องกันแล้วขอหมู่สัตว์ผู้มีชีวิตจงหลีกไปเรานั้น ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์